สมมุติบัญญัติปิดบังรูปตัวจริงวงเล็บเปิดหนึ่งม ก, กราคม2 5 5พันห้าห้าสิบในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสิบเจ็ดวงเล็บปิดเบื้องต้นทำกรรมฐานขึ้นมาอันหนึ่งก่อนแล้วหัดสังเกตสภาวะไปสภาวะที่สังเกตง่ายคือสภ า, าวะทางใจหลายคนพูดว่าสภาวะทางใจดูยากสภาวะทางกายดูง่ายแท้จริงสภาวะทางกายหรือรูปดูยากที่สุดเลยรูปนี่ดูยากนะ กว่าที่เราจะเห็นรูปตัวจริงคือความเป็นธาตุนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างเรารู้สึกไหมว่าลมหายใจมีธาตุสีเราไม่รู้สึกหรอกเรารู้สึกว่าลมหายใจก็คือธาตุลมเราไม่รู้ว่าลมหายใจมีธาตุสีครบเลยเราแยกไม่ออกหากกำลังของสมาธิไม่พอนี่จะดูรูปไม่ออกฉะนั้นกายานุปัสนาเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนเล่นฌานไม่ได้เหมาะกับคนไม่ได้ทาฌานเลย อยู่ๆก็ไปเดินจงกรมไปนั่งดูลมดูท้องอะไรอย่างนั้นต้องมีฌานก่อนถึงจะดูรูปออกไม่อย่างนั้นจะเห็นแต่วัยวะเห็นแต่ร่างกายซึ่งเป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่ตัวรูปตัวจริงรูปกับร่างกายคนละอันกันนะฉะนั้นรูปก็คือสิ่งที่เราสัมผัสได้จริงๆไม่ใช่เรื่องที่เราคิดนึกขึ้นเองอย่างเวลาตาเรามองเห็นเนี่ยถามว่าตาเรามองเห็นอะไรตาเรามองเห็นสีนะสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้ ตาเรามองเห็นแต่สีสีเป็นรูปตัวจริงแต่ว่าเวลาเรามองปั๊บเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเป็นรูปเราไม่เห็นสีหรอกเราเห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์มีผู้หญิงมีผู้ชายสมมติบัญญัติปิดบังปรมัดไปหมดปิดบังของจริงปิดบังรูปตัวจริงไปหมดเลยพอเราได้ยินเสียงถามว่าหูเราได้ยินเสียงอะไรหูเราได้ยินเสียงสูงๆต่ําๆใช่ไหมแต่เราบอกได้ยินเสียงเบิร์ดร้องเพลงความคิดมันเกิดขึ้นทั้งหมดเลย เราได้ยินเสียงหมาเหา่าเราได้ยินเสียงเขาด่ากันรู้ด้วยนะว่าเขาด่ากันแสดงว่าไปแปลมาเรียบร้อยแล้วนะหูเราได้ยินเสียงสูงสูงต่ําๆคลื่นเสียงต่างหากคลื่นเสียงนั่นแหละคือตัวรูปข้อความหรือเนื้อหาที่ได้ยินนั้นเป็นสมมติบัญญตัติสิ่งที่เราแปลความหมายออกมาฉะนั้นเราคุ้นเคยกับสมมติบัญญตัติมันปิดบังรูปตัวจริงไปจนหมดสิ้นเราดูเราขยับเนี่ย